อ่ถ้าถ้าพูดโดยทั่วๆไปนะถ้าผู้ที่เจริญเอาเอาเอาโดยจิตมาจับนะจิตโลกิยจิตมีกลาวไปจิตโดยยอดมี89ดวงน89นี้มาแบ่งเป็นกามาวัจระจิต54มหากตาจิตจ27กามาวัจระจิต54ก็มาแบ่งเป็นอาคุศล12อาเหตุกะ18กามาวัจระโสพนาจิต24่นะ แล้วก็ปฐมฌานเป็นต้นมันจะค่อยขึ้นทีละหนึ่งนะมันยังไม่ใช่ว่าทุกคนขึ้นมาฌานสี่หมดไม่ใช่บางคนก็ได้แค่ปฐมฌานบางคนก็ได้แค่ทุติยฌานบางคนก็ได้แค่ตติยฌานบางคนก็ได้ถึงจตุธชฌานบางคนก็ได้อารูปฌานที่หนึ่งบางคนก็ได้อารูปฌานที่สองบางคนก็ได้อารูปฌานที่สามบางคนก็รูปฌานที่สมันยังไม่ใช่ว่าขึ้นทุกคนก <off> ็ต <tej selbst> ้อง8ดหมดไม่ใช่อะไร บางคนก็ได้แค่เนี่ยแล้วก็แบ่งกันแบบนี้ผู้ที่อยู่ในแค่อุปจะอ่าแค่การมาวจรจิตเนี่ยถ้าในแง่นี้ก็ยังไม่เรียกว่าคนได้สมถะอะไรคือถ้าถ้าเอาเฉพาะแค่การมาวจรจิตเนี่ยนะก็ยังไม่ชื่อว่ามีสมถะอะไรแต่ก็ได้อุปจาระกลับมาเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะอย่างที่เราครั้งก่อนพูดถึงคือ อุปจาระฌานกับตรงนี้ฌานใช่ไหมสองอย่างเนี่ยเท่ากับฌานทางนี้อุปจาระฌานอุปจาระฌานทั้งหมดมีมีเจ็ดนะหนึ่งเนคขมมะสองอัพยาปาทะสามอาโลกสัญญาสี่ ความไม่ฟุ้งซ่านละการมาฉันทาด้วยเนคพระแล้วก็ห้าอะไรและความและอารติด้วยปราโมท กก็คือการกำหนดธรรมละวิจิกิจชาด้วยการกำหนดธรรมเจ็ก็ยานะอันนี้เป็นอุปจาระฌานเจ็ดเนีเนะอ่อบางคนนี่เขาบริหารจิตไม่ให้ตกไปในบาปกุศลด้วยกุศลธรรมเหล่านี้นะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ฌานแต่คือไม่ใช่ฌานแบบปฐมฌานทุติยฌ า, านซึ่งก่อนที่จะได้ฌาน อย่างเช่นเนคขมมะตัวนี้อาจจะเจริญอสุภะเกือบได้ฌานแต่ยังไม่ใช่ฌานหรืออภยตธปาทาเนี่ยนะเจริญเมตตาเกือบได้ฌานหรืออโลกสัญญาอาจจะเจริญกสินอย่างใดอย่างหนึ่งเกือบจะได้ฌานน่ยนะหรือความไม่ฟุ้งซ่านก็ไปเจริญสมถะอย่างอื่นๆเกือบได้ฌานหรือปราโมทที่ได้มาจากการรักษาศีลเป็นต้นหรือการกําหนดธรรมการพิจารณาธรรมเนี่ยนะอย่างมาก เพื่อนี้ก็ถือว่าเป็นบาตรที่พอจะเจริญวิปั ส, สนาได้อยู่แล้วนี่ยนะอันกลุ่มนี้ก็ไปเจริญกุศ ล, ลธรรมเหล่านี้บริหารไม่ให้จิตตกไปในอกุศลแล้วก็เจริญวิปั ส, สนาพอเจริญวิปั ส, สนาก็มาสลับกับการเจริญกุศลเหล่านี้เพื่อไม่ให้จิตตกไปในอกุศลเจริญไปอย่างนี้มากๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญวิปั ส, สนานําแล้วก็ตอนหลังก็วิปั ส, สนาก็เป็นปัจจัยให้บรรลุอริยมรรคเหมือนกัน ส่วนผู้ที่เรียกว่าเจริญสมมถะก่อนนี้เน้นให้มันได้ฌานก่อนคือเอามุ่งฌานก่อนนะนะออกจากฌานแล้วค่อยว่าอีกทีไอ้พวกนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสมถะนําวิปัสนาตามส่วนพวกเคียงคู่กันไปนี่ลักษณะนี้นะเช่นเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานวิปัสนา เข้าทุติยชาญออกจากทุติยชาญวิปัสนาเข้าติยชาญออกจากตาติยชาญวิปัสนาออกจากจากตุทัชชาญเจริญวิปัสนาถ้าเจริญอย่างนี้แล้วบรรลุพวกนี้จะเป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะพวกนี้จะเป็นปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์สี่ก่อนใช่ไหมออกจากชาญหนึ่งสองสามี่ได้สี่ประเภทแล้วกับพวกนี้อีกหนึ่งพวกอันนี้เป็นพวกที่ห้า ปัญญาวิมุตต์มีหประเภทนี่นะทีนี้ส่วนพวกอุปโตภาคบิมุตนะออกจากปฐมฌานออกจากอากาสารัญญายาตนะจเจริญวิปัสนาบรรลุอันนี้ก็เป็นอุปโตภาควิมุติออกจากวิญญาณัญญาญตนะจเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุเพื่อนี้ก็อุปโตภาควิมุติออกจากอากินจัญญายาตนะจเจริญวิปัสนาก็อุปโต ออกจากเนวะก็เจริญนี้ก็เป็นอุพะโตสแล้วใช่ั้ยอุพะโตพาคาวิมุตนะอุพะโตภาค4บวกกับผู้ที่เจริญปกตินี่ถ้าเป็นธาตุนาคามีอยู่แล้วจะเข้านิโรธสมาบัตใช่เข้านิโรธสมาบัติออกจากปฐมฌานเจริญนิปสนาออกจากธุติยะฌานแล้วเจริญอย่างนี้มาโดยลำดับจนถึงเนวะสัญญาแล้วก็เข้านิโรธสมาบัต พอเข้านิโรธสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติเจริญวิปัสนาบรรลุเลยอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอุพโตภาคบิมุตธะเนี่ยนะยีทีนี้โอ้โหประณีดกับเพื่อนประณีดมากา น, นะต้องหมายถึงข้อปฏิบัติของพระอนาคามีานะ น, นนี้จะเขาจึงแบ่งพระอริยะแบบปัญญาวิมุติกับอุพโตวิมุตต์เนี่ยนะอันนี้พูดถึงชั้นสูงระดับพระอรหรอนันต์นะ ัการบรรลุอริยมรรคโดยเงื่อนไขก็จะอยู่ในหัวข้อ4ีหัวข้อนี่แหละหรื อ, อตัวตัวเคียงคู่กันไปคืออย่างนี้นะออกจากปฐมฌานเจริญวิปัสสนาซึ่งก็สามารถบรรลุได้ออกจากทุติยะฌานเจริญวิปัสสนาหรือบรรลุได้นั่นนะส่วนพวกวิปัสณูปกิเลสนี่พวกนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยพอเจริญสมถวิปัสสนาไประดับหนึ่งนะมันก็จะเกิดที่เรียกว่าวิปัสณูปกิเลส10ก็นึกว่าบรรลุแล้ว นนวิปัสสนูปกิเลส10เกิดตีตีเกิดโอภาษ์เกิดสุขเกิดปัสสัที่เป็นต้นน่ยก็นึกว่าตัวเองบรรลุแล้วก็มาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งก็อาศัยนั้นแหะเป็นบาศแล้วก็เจริญมิปัสสนาก็บรรลุกพวกนี้จะเป็นข้อที่4ประเภทที่4เนี่ยนะไหนอุทจจะอันนี้เป็นอุทจจะที่เกิดจากวิปัสสนูปกิเลส10ไม่ใช่อุทจจะแบบ แบบคนฟุ้งทั่วๆไปนะไม่ใช่อุทจแบบนี้อุทจัคือฟุ้งแบบไม่ได้บรรลุคิดว่าบรรลุถือว่าเป็นความฟุ้งซ่านลนะในทางนี้ไม่ใช่อุทจัที่เรียกว่าเยเบลเ บ, บเนี่ย น, ะนีไม่ใช่นนแล้วก็คงพ อ, อสำคัญที่สุดนะที่จะเข้าใจอันนี้คือจับประเด็นคำว่าสมถะกับคำว่าวิปัสสนา ขอบเขตแค่ไหนจึงเรียกสมถะขอบเขตแค่ไหนจึงเรียกว่าวิปั ส, สนาเนี่ยนะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อธรรมที่เราควรทำความเข้าใจาให้มากในบรรดาจิตทั้งหมดเนี่ยจิตที่เจริญวิปั ส, สนาจริ ง, งๆอะจิตไหนเนี่ยนะก็แบ่งไอ้กามาวัจรโสโผณจิตแบ่งออกเป็นสามกลุ่มมหากุศลแปดมหาวิบากแปมหากิริยา8และก็มหากิริยาแ กุศลแปดเท่านั้นนะที่เป็นตัวเจริญวิปัสนาเนี่ยนะตัวที่เจริญวิปัสนาคือมหากุศลแปดแต่สมถะเนี่ยมหากุศลแปก็กลุ่มแบบอุปจาระฌานไปถ้ายังอยู่ในมหากุศล น, นะเป็นกลุ่มอุปจาระฌานถ้าปฐมฌานจึงเป็นฌานเนี่ยนะไล่มาเรื่อยๆอันนี้เป็นฌานเป็นตัวที่เป็นฌานชั้นสูงเลยนะแต่ถ้าก่อนหน้านี้สามารถเช่น แก้ปัญหาได้รอบไปะนะกำจัดบาปบาปเส้นกามราคะเกิดเจริณาสุภาะโกรธขึ้นมาเจริญเมตตาหรือว่าเจริญเมตตาไม่ให้มันโกรธขมๆมไว้เนะีนะ่ยธรรมดาทั่ ว, ว, วไปเนะี่ยพวกนี้จะอยู่อุปจาระชาน ใ, นในมาหาบุตสวนแปดนี้ไม่จอดจงลงไปเฉพาะเศะไม่ไม่จาะจงเพราะว่าพิจารณาตรายักษ์ด้วยยาณวิปยุทธก็ได้พูดถึงคนที่ชนานาญนะเนี่ยนะ ผู้ที่ชนานาญแล้วจริงๆอ่ะนะเขาหามหัวหามท้ายก็ได้เหมือนกันเถอะเข้าใจเลยในสิ่งนั้นเรียกว่าไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้นะความที่คล่องมากๆเช่นมนุิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงจนชํานาญแล้วนะบางทีก็ไม่ต้องใช้ความคิดเรียกว่าไม่ต้องใช้ปัญญาแต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะบริวารข้างหน้าข้างหลังปัญญาดีแล้วนะหามได้ในถ้ามอง ในแง่การเจริญจิตที่เรียกว่าจิตตานุปนะัสสนาก็คือเอาโลกิยจิตเหล่านีมามาเจริญจิตตานุปัสสนาซึ่งคำว่าจิตตานุปัสสนาก็บวกจิตบวกอนุปัสสนาใช่ไหมจิตหมายถึงโลกิยจิตอนุปัสสนาหมายถึงอนุปัสสนาเจดคือตามเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะซึ่ง ตามเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเช่นถ้าว่าตามทวารก่อนไอ้รอบรู้จิตที่เกิดในทวารตาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อศึกษาอันนี้ดีก็ตามเห็นจิตเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นด้วยว่าเป็นของเที่ยงตามเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นสุขตามเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินในจิตเหล่านี้ตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่ยึดถือเนี่ยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ราคานะไม่ใช่กำหนัดตามเห็นโดยความตามเห็นโดยความดับไม่ใช่เพื่อจะสร้างางั้นเถอะเน้นที่จะตามเห็นโดยความสิ้นไปนะไม่ใช่มุ่งจะเห็นแต่การเกิดแต่มุ่งเห็นในแง่เสื่อมตามเห็นเพื่อจะสลัดคืนจากสิ่งเหล่านี้นะเพื่อที่จะแทงตลอดนิโรธอะ่ะก็คูณจิตในทุกทวารไปทีนี้การแบ่งจิตก็อย่างว่ามีการแบ่งถ้าโดยทวารก็มี6ใช่ไหม มี6ถ้าโดยอารมณ์ก็6 น, นะหรือโดยจิตตานุปัสสนาก็มีเท่าไหร่ขึ้นมาเยอะเลยนะ16เลยถ้าแบ่งแบบจิตตาวิภาค81จําจำแบ่งไม่แง่ไหนก็เพื่อเจริญวิปัสสนาทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งเพราะอารมณ์ของวิปัสสนาคือโลกียจิตเนี่ยนะ โลกิยจิตเพราะั้นทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราพูดแบบสูงสุดเอาไว้ก่อนนะใครขีดความสามารถอย่างเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นะใครได้ฌานก็เว้นเวพูดถึงคนไม่ได้ฌานนะจะพิจารณาได้บ้างก็ยีเอ่อห4ดวงนี่แหละจะพอพิจารณาได้บ้างเพราะมันคล้ายๆกันอ่ะนะเช่นถ้าเราทานกนะุศลเกิดพระภาหัน์ให้ทานก็กุศลเหมือนกันอ่ะนะ นั้นก็พอที่จะพิจารณากิริยาจิตได้นะโดยโดยความเข้าใจแต่ถ้าชาญาจิตนี้ถ้าไม่เคยได้ก็กยอมรับในความไม่เที่ยงนะแต่ว่าที่จะไปเข้าถึงสภาพอ น, นั้นที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ไม่ใช่ฐานะอีกนะก็ตามเห็นโดยสรุปนะอนุปัสนา 7. เจตพาอจิตจิตที่เป็นโลกิยะคือจิตที่มีสังขารเป็นอารมณ์เอาว่าง่ายๆนะจิตที่มีบัญญัต กับมีสังขารที่เป็นปรมัตเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าโลกิยาจิตหมดเลยเนะถ้าถ้าจะให้นิยามโลกิยจิตนะนิยามโลกิยจิตก็คือหนึ่งมีปรมัตเป็นอารมณ์แต่เป็นปรมัตที่เป็นสังขาร มีสังข า, เา ร, งญญรเป็นอารมณ์แล้วก็สองมีบัญญัติเป็นอารมณ์เนี่ยนะบัญญัติก็ไม่ใช่สังขารเนี่ยโลกิยาจิตมันรู้แค่เนี่ยทั่วๆไปนะ่าเอาแบบธรรมดาทั่วๆไปส่วนโลกุตระจิตเท่ากับมีปรมัจิตเป็นอารมณ์อย่างเดียวและก็ปรมัจิตที่เป็นนิพพานเท่านั้น โลกุตรจิตนะแต่มีอยู่ครั้งคราวที่โลกิยาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์มีอยู่บ้างอันนี้สําหรับภาคระยะแล้วของบุคคลทั่วๆไปก็จะมีตรงโคตรภูนะในมรควิถีที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั่วๆไปะนะท่าะะ น, นก็เลยไม่จําเป็นต้องพูดนี่นะแล้วก็เอาว่าโลกุตรจิตคือจิตที่พ้นจากสังขารพ้นจากบัญญัติอมีธรรมะที่สงบจากสังขารเป็นอารมณ์ ไม่ใช่ว่าหลีกจากสังขารเช่นว่าตรงนี้มันวุ่นวายเดินออกไปซะอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นโลกุตรจิตนะสมมุติว่าอันนี้เป็นเป็นมรคจิตถ้าเราเอาคําว่านิพานอย่างนี้มาจับนะนิพานอีกชื่อหนึ่งเรียกว่านิโรธใช่ไหมก่อนที่จะมานิโรธโดยทั่วไปก็ต้องเป็นสมุทยัยแล้วก็ต้องรู้อะไรก่อนหน้านี้ที่จะรู้สมุทัยก็เนื่องจากรู้ ทุกตัวที่มาเห็นนิโรธอันเนี้ยเท่ากับมักเนี่ยะตัวที่มีนิโรธเป็นอารมณ์คือมักฉนันก็ถ้าจะเอาตาม ท, ทวารมาจับน ะ, จะเจริญพุทธคุณมาจะเช่นจักสุเป็นทุกขสัตตันหาเป็นสมุทัยสัตตอัปปวัตตะอัปปวัตตะหรืออานิมิตตะก็ได้ อายุหะนะอคติอปฏิสนที่แล้วแต่จะเรียกนั่นแหละคือนิโรธแต่หมายคําว่าตั้งแต่สองตัวนะทิฏฐิวิสุทธิดําเนินมาในพวกนี้ดีก่อน โลกุตระจิตถ้าเรียนในแง่ทำความเข้าใจนี่ไม่ง่ายแต่เรียนในแง่ท่องไม่ยากนาน่ปกติจิตที่มีพวกทุกขศัตร์กับสมุทัยศัตร์เป็นอารมณ์นนะคือระดับทิฏวิสุทธิอนะันนไหแลวอะไรอีก 2. กังขาวิตรณะวิสุทธิ สามมัคคามัคะก็คือมัคบวกอมัคอ่ะนะมัคคามัคะวิสุทธิแล้วก็ต่อไปอีกก็คือปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิอัะนนี้ แล้วจึงจะเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคอันนี้เขาเรียกว่ายานทัศนะวิสุทธิเนี่ยนะแล้วก็เจริญต้องเจริญวิปัสสนาพวกนี้ก่อนหรือเจริญวิสุทธิเนี่ยนะหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิสองกางขาวิตรณาวิสุทธิสามมามคายานทัศน์วิสุทธิสี่ปฏิปทายานทัศนะวิสุทธิแล้วก็ห้ายาทัศนวิสุทธิ ซึ่งพวกที่จะเจริญวิสุทธิเหล่านี้นะต้องมีคุณธรรมรองรับฐานเนี่ยต้องดีคือศีลกับสมถะหรือเท่ากับจิตตาวิสุทธิจิตต้องมั่นคงอ่ะนะจิตตวิสุทธิจิตต้องมั่นคงแล้วมาพิจารณาเนี่ยทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์มันถ้าว่าแบบย่อดก็คือเนี่ยจักคูจัมูสมุทัยจักคูนิโรจักคูนิโรท่าคาเนีปฏิปทา ตัวจกักขูนิโรธคามมนีปฏิปทานนี่เป็นมรรคที่มีจกักขูนิโรธเป็นอารมณ์เก็ไล่ไปทุกบทเขามีประมาณ201บทเนี่ยเอามาแทนคำว่าจากาักขูเนก็นึกชอบพระพุทธพจน์ที่อุปมาสาัตว์ทั้งหลายเหมือนอยู่ในกระเป๋ะไข่นะนไข่มันล้อมรอบนะอันนี้สมมตินี่ลูกไก่ลูกไก่ว่าดไงคุณบุญชู สุปไก่ก็แล้วกันคิดไห้มันเป็นไก่นะไหนไม่นีไไ่ไม่มาขันมั้ยก็ไก่ถ้ามันจะออกจากฟองนี่มันออกทางไหนได้บ้างออกจากได้รอบไบทที่จะทำให้ตรัสรู้นะก็เหมือนกันเขามีบทอะไรบ้าง อ, างอา่ทวารหก อนนะอารมณ์6วิญญาณหภัสสะหเวทนา6สัญญาหกเจตนาหวิตก6วิจารหกธ 6, าตุหเนี่ยนะขันหายตนา12ทธาตุดอินทรีย์22กสิิน10บอสุภะ1ิอนุสติ10อันนะั้นแล้วก็ภพสบ12คือแบ่งเป็นภพสามีการมาภพเป็นต้นภพสามีสัญญาภพเป็นต้นภพสามีเอกวการภพเป็นต้นเนีย่ยนะ แล้วก็ยังมีการมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุมีอะไรอีกพรหมวิหารสี่ฌานสี่อรูปฌานสี่มีปฏิจจสมุปบาทสิบสองก็เอามาคูณกับบทนี่เนี่นยนะก็น่าจะออกได้สักแห่งหนึ่งนะจะเอาทวารไหนเจาะดีฉันเคยสอนตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะจะเจาะทวารไหนดีตานะจัคคูจัคคูสมุทยัยจักคูนิโรตจักคูนิโรธคามินีปฏิ ป, ปทาเบื่อจะดูหรือยังะ ตั้งตั้ ง, งอัธยาศัยว่าเห็นโทษของการดูไว้ก่อนนะไม่งั้นตัวตาเลยคือถ้าว่าจักขูนะจักขูเป็นของร้อนอ น, น้นถ้าถ้าจะกล่าวให้เต็มต้องต้องที่จริงนะต้องเขียนเขียนแบบนี้จริงจะจริงจะพอมองเห็นภาพอันนี้ทุกทุกเหล่านี้มาจาก สมุไทยเพราะฉะนั้นจักขู ก, ก่อนจักสุอันนี้มีเหตุเป็นแดนเกิดนะ เ, เมื่อจักขูเป็นแดนเกิดเนี่ยนะคือจักรูนี้ที่ใช้คาว่าสมุไทยคือปฏิเสธมันมีลทัทธิที่เรียกว่าใครให้จักรูมาจักรูนี้ใครให้มามีผู้บรรดาลให้นะแล้วแต่ของลทัทธิไหนก็ว่ากันไปจะมีนิดใครให้จักรูมา พระเจ้าหรือพระพรหมพระอิศวนพระอะไรก็ว่ากันไปอนะอันนั้นก็สมูทไทยแบบนั้นไม่ใช่แล้วก็มีไอ้พวกเอกอเหตุกะเอกเกิดมาลอยๆอ่ะมันอยากมีมันก็เลยมีอ่ะนะอะไรสร้างเขบอกสารหน่วยพันธุกรรมมันให้พันธุกรรมมาจากไหนชักยุเหมือนกันนะสาวไปสาวมาเออมันมีตอนนั้นอะ่ะไอ้พวกนี้เป็นอาเหตุกะทิฏฐิแตถ้าถ้าถ้ามองอยู่แค่นี้นะชีวิตถ้ามองอยู่เท่าเนี้อะ่ะก็คือกลม อเหตุุกะทิฐิเพราะฉะนั้นในในทางคำสอนก็เลยบอกว่าทิฐิเหล่านั้นทั้งคู่ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วจากสูนี้มีไม่ใช่ไม่มีเหตุตัวที่เป็นเหตุของจกักรูคคืออะไรก็อวิชาตันหาและกรรม